ตจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องผลทุกข์ด้วยผัดสาหารโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่30ตุลาคม2530ที่พุทธสถานปฐมสุโขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัตรนี้ งานก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคนที่ไปไปมามาก็มีอยู่อย่างเป็นที่เป็นนี่แหละนะผู้ที่ไปไปแล้วก็มามาผู้ที่ได้ก็รู้ว่าได้นะที่จริงคนเราเนี่ยรู้พอมารู้แล้วรู้เหมือนกันนะแต่ว่าได้แล้วมันหลงมันหลงที่เราได้ดีแล้วเราได้ดีจริงๆนะเพราะได้ดีจริงๆแล้วแม้จะออกไปอยู่กระหม่กลุ่มข้างนอกตัวเองก็สบายกว่า สบายกว่าแล้วก็ติดแป้นอยู่อย่างนั้นนะ่ะไอ้ฐานติดแป้นที่ไม่เคยเลื่อนนี่แหละอาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะเก่งกว่านี้ที่จะพยายามเขี้ยวเข็นเขี่ยวเข็นมากๆเข้าก็หลายคนก็แหนงหนื่อยหลายคนก็เซ็งเบื่อที่อาตมาเขี่ยวเข็นเบื่อเพราะมองยังไงยังไงก็รู้สึกว่าตัวดีอาตมาไม่ปฏิเสธนะว่าคุณไม่ดีอาตมาไม่ปฏิเสธว่าคุณไม่ดีแต่คุณไม่ดีกว่าและไม่ดียิ่งขึ้นไปอีก จนถึงที่สุดมันยังไม่เป็นพระอาหารหันต์แล้วมันก็ยังไม่ถึงที่สุดทั้งนั้นแหละแต่เราก็ติดไอตัวติดแป้นนี่ไม่รู้จะทํำยังไงมันเสวยสุขเสวยเสวยแม้ว่าจะเสวยเป็นปติกรรมปฏิสระโนได้อาศัยสิ่งที่เป็นบุญของเราเป็นบุเพกตาบุญญตาเป็นความดีของเราเป็นขั้นตอนอะไรของเราก็แล้วแต่ที่เราได้อาศัยแล้วเราก็เสวยบุญอ น, นันต์อ น, นันตไป อยู่ทุกวันนี้มันก็พอสบายมันรู้ว่าเราเองเราไม่ได้โมโลภมโทสันอะไรเกินการลาบยศอะไรแล้วก็ไม่ได้สงไหลได้ปลื่มอะไรมากมายโลกียสุขแล้วก็ลดลงไปไม่ไปเมาเมื่อก็ชาวโลกีเมื่อก็แต่ก่อนที่เราเองมืดมืดมัดมวมวัวแต่เดี๋ยวนี้เราก็ชัดขึ้นเราก็ไม่ได้เป็นหลงไหลาลาบโลกียสุขอะไรใส่ตัวเองแล้วมากมายเราก็มีกรรมปฏิสรโนมีที่อาศัยมีอะไรอะไรอาศัยซึ่งเป็นสปายะกันพอสมควร มีทั้งเสนาสนะสปายะสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของเราเราก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรแล้ว อ, อายุปัจจัยสี่ก็พอเป็นไปนาอาหารส ป, ปายะก็มีทั้งอาหารกิ น, นาอาหารก็กินกันอยู่ขนาดนี้เราก็มีสันโดษพอสมควรแล้วในใจเราก็อยู่ได้อาหารขนาดนี้ไม่ต้องไปรู้ราฟฟาู่ฝ่า หลงระเริงบริโภคนิยมอย่างที่โลกเขามองเมาเพราะว่าเราได้ศึกษามาเราได้ปฏิบัติมาและเราได้คุณธรรมวันนี้ด้วยาอาหารที่ ก, ะ, กะวกรวลิงกราหานขนาดนี้ก็เราก็มีผัดสาหารเราก็พออยู่ได้นะถ้าจะมากกว่านั้นจะฝึกเพียรมากกว่านั้นเราก็กลับไม่เอาซะไม่ผัดสามากกว่านั้นเท่าที่เราอยู่เงี้ยบางทีก็หลบห ล, ลีอยู่ในเนี้ยอยู่ในปฐมปสงค์นี่ก็หลบอยู่ในปฐมปสงค์นี่ได้ด้วยนะ ได้ด้วยหลบได้ด้วยซึ่งเราเองเราเข้าหมู่เข้ากลุ่มกันไม่เต็มที่การไม่เข้าหมู่เข้ากลุ่มเต็มที่นั้นก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเราติดงานจริงๆบางคนก็เอางานนั่นแหละเป็นตัวเหตุเพื่ออยากไม่อยากเข้าหมู่ถ้าทํางานซะมันเป็นส่วนตนมันเป็นอัตราได้มันเป็นมานะได้มันสบายสบายใจของตัวเองได้เพราะเราไม่ต้องไปสัมผัสสัมพันธ์กับใครเราทํางานก็เป็นของเราเราก็อยู่ในโลกของเราอยู่ในภพของเรา ไม่ต้องไปวุ่นไปไวายอะไรกับใครมันก็ซ้อนนะมันซ้อนมันก็เป็นเอางานนั้มาเป็นตัวเครื่องแก้ตัวแล้วเราก็อยู่บอติดงานแล้วก็อยู่กับงานเท่าไม่อยากจะไปกินด้วยะกินเนีก่ก็กินของฉันอยู่เน้าก็อยู่ของฉันอ้างไม่มีเวลานี่จะทํางานจะต้องรีบกินะจะต้องอะไรก็แล้วแตอ่อยู่ก็ส่วนตนส่วนตัวมันก็กัดเป็นอัตตาหรือเป็นพบเป็นภาวะตัณหานะ ที่มันซ่อนอยู่เนี่ยอาตมาก็พยายามหยิบมาชี้หยิบมาอธิบายเสมอเสมอว่ากามาตัญหาของเราก็ลดได้พอสมควรแต่เพราะว่าตัญหาของเรานี่ยังตีกันไม่แตกเรายังไม่เก่งนะในเพราะว่าตัญหายังไม่เจริญเพราะว่าตัญหาที่ติดพวังเข้าไปอยู่ในภพแล้วก็หลับหรือวลีอยู่ในภพก็ตามหรือแม้แต่อยู่ในภพส่วนตนสิ่งแวดล้อมเป็นกายโยส่วนตนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องไปสัสมผัสอะไร อ, อะไรจัดจ้านกว่านี้สัมผัสแค่นี้เราก็สบายสบายแล้ว เราก็อยู่ในโลกของเราแค่นี้แหละมีประโยชน์ล้วก็ว่าเราอ้างการงานเป็นประโยชน์เราทำการงานอยู่เป็นประโยชน์แล้วเราก็อ้างมันก็ได้นะแต่มันไม่เจริญฟังธรรมะอาตมาฟังในตอนหลังๆนี้เนะี่ยต้องฟังโยนิโมสมนสสการใช้ยานปัญญาดีๆมันหลายชั้นมันไม่ไม่ใช่ตื้นเขินมันคัมพีรามันลึกซึ้งนะ แตตามาก็ยังไม่เก่งที่จะมีนิรุรติปฏิพานที่เก่งกว่านี้ที่จะทําให้พกคุณเข้าใจได้เร็ว <_ d> um> เข้าใจได้มากกว่านี้อตาตมาก็พยายามจะเก่งนะพยายามที่จะทําให้เข้าใจให้ได้มากๆแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่ได้นี่นะไม่ต้องออกไปข้างนอกเนี่ยคนที่ออกไปข้างนอกนั้นก็เพราะเหตุหลายประการเหมือนกั น, นต้องออกไปเพราะมานะ์ของตัวเองบ้างเพราะบางคนก็เพราะการโดยตรงอ่ะ ออกไปนิ้มๆหลียอะไรบ้างหยาบๆนักก็ไม่เอาแล้วก็เอาแค่นั้นะเสร็จแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วก็กลับเข้ามาบางคนก็ออกไปเพราะมานะมันติดอัตตาตัวเองมันก็มีแรงประะัทะแล้วมันก็ไม่เอาแล้วลว่าเราก็ถือดีของเราเราก็มีดีพอสมควรนี่หว่าก็ออกไปออกไปแล้วประเดียวเดียวอราเข้ามาอีกหลบเข้าไปหลบเข้ามานะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกไปก็ดีผู้ที่เข้า ว่าไม่ไม่ได้เข้าผู้ที่อยู่ไม่ได้ออกไปผู้ที่อยู่ในนี้อยู่ก็ดีน ะ, อ, ะอยู่ได้แต่ไม่เพิ่มฐานอยู่ได้แต่ไม่เจริญยิ่งขึ้นนี่แหละอาจะมาเข็นตรงนี้กันยามแล้วเน้นแล้วซึ่งมันลึกซึ้งนะมันซ้อนบอกว่ า, วาเราดีเรามองเมื่อไใ่เราก็ดีมองเมื่อใดเราก็ไม่ได้ชั่วไปเทียบกับชั่วที่มันตั้งมากตั้งไมยนะแตเราก็ไม่ชั่วอย่างนั้นหรอกแล้วก็ขยันมันเพียนอยู่นะ แล้วก็ทํางานทําการอยู่นะแล้วบางทีก็เอาเอางานการนั่นะอ้างตัวเองที่จะเข้ามามีผัสสะผัสส า, ารนี่เป็นตัวที่จะกระตุ้นนะจะกระตุ้นให้เราเองนี่แะไรมีโล ก, กว้างหรือตื่นถ้ า, ม า, ม า, าไม่มีผัสสารไม่มีผัสสะเป็นอาหารเป็นเครื่องอาศัยคือเป็นเป็นแบบโรคโลกเป็นแบบของรูษีโรครูสีโรครูสีนี่ไม่มีผัสสะอะไรมาก ไม่อาศัยผัดสาหารอยู่ก evet. nah ับพบของตัวเองจมแล้วก well, ็มีแต่จมกับจมจมกับจมแล้วเขาอาศัยการกดลงไปอีกด้วยซ้ำยิ่งกดยิ่งให้จมยิ่งให้จมยิ่งให้ดิ่งยิ่งไม่ตื่นมีแต่ดำดิ่งดำดิงดงดำมืดมีแต่ดำมืดลึกลึกลึกลึกไม่ไม่ลอยนะไม่ลอยศาสนาฤาษีนี่ไม่ลอยมีแต่ดำดำดำไม่ตื่นไม่รู้ไม่กระจ่างไม่สว่างมีแต่มืดมืดมืดดำไปอย่างนั้น เนี่ยอาตมาพยายามใช้พยัญชนะใช้ภาษาสื่อให้คุณฟังเพื่อให้เข้าใจถึงนามมารมนะมันไม่ใช่อย่างที่อาตมาพูดว่าดำอมืดเป็นภาษาตื้นตืต้นนั่นนะฟังแล้วก็คงพอเข้าใจเข้าใจไหมเอาคนไม่เก่งอักษรภาษานี่ยังเข้าใจนะท่านท่านท่านสันตเจตโตก็ยังเข้าใจคือมันยิ่งเป็นอย่างนั้นนะอ่ะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ดำดิงมืดตึบ๊บไปหมดเลยมันไม่เป็นศาสนาพุท ธ, ธ พุทธกับศาสนาลักษณะที่อาตมากำลังกล่าวถึงเนี่ยมันโกงกันข้ามกันรูปสีประเภทเนี่ยมันยิ่งตกพบตกผวงตกอะไรไปไปกันใหญ่นะแม้เราจะเอางานเอาการอะไรมาเลี่ยงมาแก้กตัวเองโดยไม่อาศัยผัสสะก็เพราะเราไม่อยากจะเพิ่มภูมิแล้วก็ไม่ไม่เห็นอานิสงส์ของผัสสะนะม้เห็นอานิสงส์ของผัสสะบอกแลย ว, ว่าผัสสะอะไรก็ไม่ดีเท่าผัสสะมนุษย์ มนุษย์นี่แหละให้ผัสสะแกเราดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งเป็นคู่แค่งคู่อาฆาตศัตรูนะศัตรูนี่มีสองศัตรูหนึ่งศัตรูคู่รักคู่รักนี่เป็นศัตรูอย่างยิ่งฟังไหวไหมเนี่ยนะคนรักหรือคู่รักนี่เป็นศัตรูอย่างยิ่งนั่นประเภทหนึ่งคู่แค่งก็เป็นศัตรูอย่างยิ่งอีกด้วยนะศัตรูนี่มีทั้งสองศัตรูเพราะฉะนั้นเราสัมผัส กคนรักหรือคู่รักเราก็จะต้องระวังจิตวิญญาณเราจะต้องระวังกิเลสตัณหาอย่างหนึ่งคนอย่างพวกเราในพูดแล้วคงคงเข้าใจคงจะเข้าใจแล้วละ่ะเพราะคนรักหรือคู่รักมันอาจจะไม่ใช่คู่รักแบบโลกทีเดียวก็ได้นะไม่ใช่คู่รักแบบโลกโลกโล ก, กีแบบเมถุนแต่เป็นคนรักที่เรารักนี่แหละเราลำเอียงได้เราเกิดอาการดูดดึงอาการไม่มันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สัมมา อาการติดยึดอาการที่จะอะไรแต่ไรเพราะว่ามันสัมพันธ์กับหมู่กลุ่มเนี่ยมันสัมพันธ์เยอะนะคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบเนี่ยกับคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักที่จะขัดเกลากันจะลําเอียงหรือจะทําให้เราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ถ้าผัสสะถ้ามีผัสสะคนที่เราชอบคนที่เรารักกับคนที่เราไม่รักผัสสะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแวดล้อมอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเกิดบทบาทกรรมกิริยา เมื่อเกิดบทบาทกรรมกริยาเนี่ยเรามันก็จะตัดสินมันจะเอาอำนาจของความชอบและไม่ชอบเนี่ยมาบวกลบคูณหารให้เป็นการลําเอียงหรือไม่ลําเอียงเป็นชั้นฐานกติ น, นี่ก็คือความไม่สมดุลหรือความไม่สมบูรณ์ของของจิตวิญญาณเหมือนกันมันกินเลวมันจะทํางานเพราะฉะนั้นเมื่อเราลําเอียงมันก็เล่นไม่ซื่อแล้วลําเอียงมันก็ไม่ซื่อไม่ไม่ซื่อมันก็เป็นบาปเป็นภยัยเราเองเราทํามากๆแล้วเราก็ยิ่งโง่ โดยไม่รู้ก็ยิ่งโง่ถ้าเราทาแล้วเรารู้ตัวแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆนั่นคือเราได้พัฒนาตนเราได้พัฒนาตนนี่กล่าวถึงคนที่เป็นคู่รักหรือคนที่รักคนที่แค้นง่ายอธิบายง่ายผัสสะคนที่แค้นที่ชอบ ท, ที่ไม่ชอบที่อาฆาตมาตรายในสัมผัสแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะไม่เกิดโทสะมูลเราจะไม่เกิดกิเลสในจิตทางด้านชอบมกก็จะเกิดราคะมูลหรือโลภมูล แต่ถ้าทางด้านไม่ชอบมันจะเกิดโทสะมูลเราก็ต้องอ่านยากลางละเอียดของกิเลสเหล่านี้มีผัสสะหารเป็นเครื่องอาศัยเนี่ยมันจะได้เกิดการปฏิบัติประพฤติโดยจริงไม่เสียเวลาเปล่าไอ้บางทีไม่มีผัสสะอะไรนี่มันก็เสียเวลาเปล่ามันเฉยๆเรื่อยๆไปมันไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีอะไรกระตุ้นกิเลสไม่มีอะไรมาแหย่ให้กิเลสเกิดมันก็เรื่อยๆไปผ่านวันผ่านคืนตายไปเปล่าๆมันก็เดินทางไปสู่หลุมฝังศพ ไ ม, ότε, ไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสารับพัสสาหาสของเราเนี่เรียนมากันพอเราเรียนเพราะดักดิจึงจะเกิดอะไรตามปฏิจจสมุปบาทพราะภาษาถึงเกิดเวทนามันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาอุเบกขาที่เป็นกิเลสก็มีอุเบกขาที่มันเป็นโมหะอุเบกขาเดอะก็มีหรือไม่ก็เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเป็นแบบโลกี สุขก็สุขโลกียะสุขทุกข์ก็ทุกข์โลกีจะทุกข์ทุกข์เป็นแบบโลกีเพราะถ้าทุกข์เราเกิดทุกข์แล้วเราก็เห็นด้วยอริยสัจอ้อนี่ทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดจากอํานาจของกิเลสสมุทัยอย่างนี้อย่างนี้นั่นเราก็ทนมันสู้กับมันการทุกข์ที่ทุกขายะปนเมปทหะโตอัตานังปัทหะโตตั้งตั้งตนอยู่ในความลําบากเราพยายามเริ่มตั้งตนอยู่ในความลําบากอยู่เรื่อยเพื่อฝึกหัดปฏิบัติอยู่ มันก็เป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกขายะปนเมอัตานังปัทหะโตเราตั้งตนอยู่ในความลำบากที่กุศลธรรมจะเจริญมันไม่แปลกอะไรแต่ทุกข์โดยที่เราก็ไม่รู้เท่ารู้ทันมันแล้วเราก็ปล่อยให้กิเลสตัณหามันใหญ่มันโตหรือไม่ก็บำเบล์บำเบลทุกข์แล้ก็บำเบอสมุทัยซะบำเบอกิเลสตัณหาซะพอบำเบอกิเลสตัณหามันก็กลายเป็นการ ก็กลายเป็นตัวเสพสมสุขสมเป็นโลกียสุขเนี่ยสุขเวทนาลุกทุกข์เวทนาที่เป็นโลกียะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่เรารู้เท่าทันแล้วว่าโลกียะเราไม่เอาเราได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะมันเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานมันต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เวทนานี่พอเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็จะเกาะมาเป็นตัณหาอยากจะบำบัดหรืออยากจะบำเรออยากบำบัดหรืออยากบำเรอหรืออยากจะผลักไสถ้าไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบก็อยากผลักไสอยากจะถ้ายิงเป็นเครียดแค้นโกรธแค้นเคืองมันก็อยากจะไม่รู้ไม่เห็นไม่เอาแทนที่จะล้างกิเลส ข, ของตนจะไปเอาหรือไม่เอาทําไมล้างกิเลส ข, ของตนให้มันวางเฉยให้มันวางปล่อยเออมีอะไรก็ดูเห็นอะไรก็เข้าใจของมันว่าบทบาทของมันเป็นอย่างนั้นแหละคนที่เราไม่ชอบเขาทําอะไรถูกได้ผิดอะไรก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงจะเราจะช่วยเขาก็ช่วย สุดท้าเราจะเมตตาแม้แต่คนที่เขาเคยเป็นศัตรูหรือเขานั้นยังตั้งตนเป็นศัตรูเราอยู่เราก็จะเมตตาเขาได้เพราะเราวางใจเป็นสร้างสภาพจิตที่มันไม่ไ ม, ไม่ชอบมาพากลจิตที่มันจะไปเกลียดชังผักใสอะไรจะไปรุนแรงโหดร้ายเป็นสายโทสะมูลหมดโทสะมูลมันก็จะมีตะเกือกูุเมตตาคิดอ่านจะช่วยเหลือเขาได้เกื้อกูลเขาได้มันก็ดีแล้ว เป็นบุญของเราแล้วถ้าเผื่อเราเป็นได้เพิงปานนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะปัจสาหารนี่เป็นตัวสาคัญมากเลยที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมเมื่อมีพัจสาหารมันถึงจะเกิดมโนสัญเจตนาหารมันถึงจะรู้รู้แล้วเราก็จะมีเจตนาลมเราจะสัญญากําหนดถูกต้องทางใจมโนสัญเจตนาเราจะอาศัยมโนสัญเจตนานี่แหละเมื่อเราเองเรารู้เราก็เกิดสังเคราะห์ตรวจสังขาร เกิดปรุงเองมันจะปรุงเป็นปุญญาพิสังขารหรืออปุญญาพิสังขารจะปรุงเป็นบาปหรือจะปรุงเป็นบุญก็อยู่ที่ความรู้และความจริงที <thank> ่เราทำได้บางทีเรารู <alltid. S 2> <breeze> ้นะว่าจะทำอย่างนี้เป็นปุญญาพิสังขารแต่มันปรุงไม่ได้ปรุงไม่ถึงปรุงไปไอ้กิเลสก็เข้ารวมกลายเป็นปรุงแล้วไม่ได้บุญเท่าที่ควรมีส่วนของอักปุญญาพิสังขารเป็นการชำระกิเลสไม่ได้เต็มที่กิเลสมันก็ยังเก่งอยู่ก็มี เป็นได้อย่างนั้นเหมือนกันยิ่งเราปรุงแล้วเป็นสังขารที่ปรุงเป็นปุญญาพิสังขารได้มากมากๆเ ท, ท่าใดก็ยิ่งเป็นก<ำ> totally ําไรแท้เพราะตันหาต่างๆก็ลดได้ถ้าเผือว่าเราปรุงหรือว่าเราไล่ล้างตันหากออกมาจะปรุงเป็นสัง ข, ขารวิสังขารที่เป็นสัง ข, ขารพิเศษสัง ข, ขารที่ไม่ให้กิเลสเข้ามาร่วมปรุงแต่ปรุงด้วยวิชาปรุงด้วยธาตุรู้เพราะฉะนั้นวิชามันจะปรุงสังขารนี่มันจะปรุงเป็นวิสังขาร มันเป็นวินสังขารแล้วมันก็จะเกิดเป็นวิญญาณที่วิญญาณที่ได้รับการล้างละวิญญาณที่ได้ล้างกิเลสตัณหาออกไปเรื่อยๆอย่างพระอรหันต์เจ้าปรุงเนี่ยปรุงด้วยวิชาวิชาปรุงแล้วเป็นยังไงสังขารเพราะวิชาจึงเป็นวิสังขารปรุงก็เป็นสังขารเป็นวิสังขารวิสังขารแล้วเป็นยังไงเป็นวิญญาณวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดวิญญาณก็ตั้งแต่เป็นวิญญาณที่แข็งแรงยิ่งจะเกิดปฏิสัมพิทายานสูงขึ้นสูงขึ้น ยิ่งจะเกิดยานปัญญาเกิดรู้อะไรแต่ไรโลกวิทูสุขโตไปดีเสมออย่างพระอาหารหันต์จารยิ่งทํางานยิ่งมีผัรษะยิ่งมีกิจกรรมอะไรแต่ไรท่านยิ่งเจริญเจริญไปเรื่อยวิญญาณเกิดนามรูปเกิดนามรูปต่างๆก็เป็นนามรูปที่เป็นสักวานามรูปที่มันย่ำเกิดอยู่เพราะเรายังมีขันหะองค์ประกอบอะไรทั้งรูปธรรมและนามธรรมามันก็จะเกิดร่วมด้วยเกิดไปมีแต่เกิดไปสู่ดีเป็นอุบัติเทศ ตัวเองก็เป็นอุบาติเทพที่สูงเป็นวิสุทธิเทพที่ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปสั่งสมโพธิจิตหรือโพธิสัตว์ไปเรื่อยๆตามที่อายุไขเรายังมีกรรมกิริยาเรายังมีส่วนผู้ไม่ใช่อรหันก็เหมือนกันแหละก็จะสั่งสมพยายามที่จะใช้ผัสสะเนี่ยเป็นเครื่องทำให้เราสร้างมโนสัญเจตนาเราจะสร้างเราจะสร้างจะมีเจตนาไม่ใช่ว่ามันเกิดโดยไม่มีเจตนา กิโดยอารมณ์ที่กิเลสเข้าร่วมอย่างอัตโนมัติไม่ใช่อย่างนั้นธรรมดาคนปุตุชนนี่มันไม่มีเจตนาทีเดียวหรอกมันไม่ค่อยรู้ตัวหรอกมันจะเกิดโดยอารมณ์อัตโนมัติจะมากกว่าอัตโนมัตินั่นกัเป็นเจตนาอยู่นะถ้าเพื่อพยายามอ่านใจของตัวเองให้รู้ๆมันเป็นเจตนาแบบโลกโลกเจตนาที่จะเสพสูบสืส่ออะไรที่มันเป็นโล ก, กีสุเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาอยากใครแบบโลกี สุขแบบโลกีมันจะสั่งการไปอัตโนมัติไว้ถ้ายังไม่ได้เรียนธรรมะเลยไม่ได้รู้จักปรัมัตธธรรมเลยจะไม่รู้เลยอาการเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงมีแต่เสีสมอารมณ์สุขของตัวเองที่หวังที่อุปทานที่ยึดติดไปแต่พุ่นะพือไปเท่านั้นเองไม่เกิดอะไรแต่เรามาปฏิบัติทําแล้วเนี่ยเราจะจับมโนสัญเจตนาได้จะรู้จักจิตของเรารู้มโนรู้การกําหนดสัญญา รู้เจตนาจะรู้ว่าเราเรากำหนดน้นให้มันเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้มันฝึกปรือฝึกให้ช่ําชองฝึกให้ชํนานาญฝึกมีธรรมวิจัยเลือกเฟ้นฝึกลเลือกดูเลือกเฟ้นได้ดีก็กําหนดให้มันได้ดีนั้นสู้กับกิเลสไม่ให้กิเลสเข้ามาร่วมเสมอเสมอมีแต่ขจัดกิเลสออกไปเรื่อย ๆ, ๆมันก็ได้แต่ปรุงแต่งสร้างสารรค์เป็นคนที่มีความจริงความดีมีแต่สิ่งที่จะเจริญทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นพระพัฒนศัก์นี่สําคัญ อย่างในมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตานุทิฏฐิสูตรที่เคยเอามาอธิบายยืนยันให้ฟังแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี้ผัสษาเป็นปัใจจัยในทวารทั้งหเห็นตั้งแต่มพ้นมิจฉาทิฏฐิก็เพราะว่าเห็นอ น, นิจจ์พ้นทุกข์ก็เพราะว่าเห็นในพ้นสกยายะก็เพราะว่าเห็นในทุกขในทุกแล้วก็แยกออกอย่างที่อธิบายไปแล้ว ว่าทุกข์ที่มันมาด้วยเหตุที่เป็นอกุศลต่งตางๆมันมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานต่งตางๆเราก็ขจัดตัได้เมื่อขจัดได้ก็คือเราเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นอริยสัจลดสักกายะได้พ้นสักกายะไปได้เรื่อยๆจนเหลืออัตตาทำอัตตานั้นจนเห็นอนัตตามันจึงหมดอัตตาเพราะมีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยทุกสูตรไปอ่านดูดีๆเลยในรายละเอียดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดดีมีผัสสะเป็นปัจจัย ไม่ได้หมายความว่าร้างหรือว่ามันไม่มีผัสสะแล้วเดาๆ เ, เอาโดนโดนเดาไม่ใช่เพราะอานิสงส์ในการมีผัสสะนี่สําคัญมากผัสสะนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจีจ้อย่างเดียวการมานั่งรั้วหมูนั่งจ้องหน้าจ้องตากันนั่งเห็นกันอยู่เฉยๆนี่นะแล้วก็นั่งต่างคนต่างนิ่งต่างสงบนี่นะเป็นผัสสะอันน่าดูนะว่าจะนั่งกันอยู่เฉยๆได้ไหม แล้วนั่งก็ดูกันเฉยๆนี่โดยที่ไม่มีอกุศลอะไรกันเลยนี่จะได้ไหมตัวเองจะทนได้ไหมด้วยเพราะเวลานั่งเวลาเจโตสมถะฐนี่เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นละ่ะเวลาเจโตสมถะถึงแม้ว่าเวลาที่เราจะมานั่งรวมหมู่รวมกลุ่มนี่มีกิจกรรมอะไรไปบ้างวาเวลามานั่งฉันอาหารถึงคราวที่เขาประเคนอาหารกับประเคนไปคนที่รับอาหารได้แล้วก็นั่งไปนั่งเฉยๆไปแล้วนั่งทนอยู่ได้ไหมมีภัสสะอย่างง้นอย่างนี้เราคิดไปง้นอย่างนี้นะ่ะ มันจะคิดหน้ามันไม่แม้คิดมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คุณเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูอยู่ด้วยนะตลอดเวลาเปิดเทพไปมั่งฟังเทพปั้งไม่ฟังเทพบั้งดูมูกุงเห็นอย่างน้นอย่างนี้มั่งลำคาญตาบั่งลำคาญหูมั่งอะไรนี่เป็นได้ง่ายๆเป็นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้น佛法าหานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สําคัญที่เราจะต้องเอามาเรียนรู้บางคนที่ไม่อยากจะสัมผัสก็เพราะว่ามีเลือดเลือดหรือสีลบเป็นอย่างหรืสีแล้วไม่เจริญไม่เจริญแล้วไม่ไม่พยายามด้วย เพราะมันสบายยังไงเราก็ดีขนาดนี้แล้วเราจะอยู่อย่างงั้นจะไม่มีปัญหาอะไรเราก็ว่าเราได้ดีแล้วเท่านี้มันก็ติดแป้นอยู่เท่านั้นน่ะอันนี้เระอาตมาเห็นว่าเป็นจุดสําคัญเหลือเกินที่พวกเราเนี่ยังเข้าใจกันไม่ค่อยได้นี่ก็เอามาพูดเพื่อที่จะให้เข้าใจเพื่อจะใช่เอาไปสํานึกสำเนียกดูบ้างทําไมไม่ชอบรวมหมู่รวมกลุ่มที่สันติสโขก็พูดพูดคนที่แหกไม่กินข้าวกับหมูนี่ก็ไม่ค่อยกินหรอกแฮกไปกินเองอยู่นั่นล่ะ ไม่ค่อยขึ้นซาลากระหมูก็ไม่ทั้งนั้นที่เขามีมาตรการนะอาบริหารนิยธรรมกันแล้วๆเล่าๆเอานะเราอย่างน้อยที่สุดวันพุธนะควรจะไปวันพร้อมงานอะไรก็ควรจะวางเพราะวันพุธนะลงมะฮะวันจันทร์หรือวันพุธให้มันลงพร้อมฉันพร้อมกันนั่นแหละเขาก็มีมาตรการกันในหมู่อบริหารนิยธรรมควรจะมาทุกคนแหละมาชันพร้อมกันลงซาลาชันพร้อมกันเวลาอื่นๆอะไรก็พยายามเอาแค่อาทิตย์หนึ่งก็พยายามกำหนดสักวันหนึ่งวันจันทร์ก็ไม่ไม่ค่อยพร้อมได้ อนอกจากวันจันทร์แล้วไม่ต้องห่วงเลยไม่มามันเลยทั้งอาทิตย์ตลอดเดือนอะไรอนี้เป็นต้นแม้แต่ทําวัดก็ดีลงสลาชั้นก็ดีมีประชุมอะไรเท่าประชุมทาไม่จี้จริงๆก็ไม่ค่อยมามันละเราก็มองไปว่าเออเราก็ไม่ไเก่งกาดอะไรเราก็ไม่ได้มีเหตุอะไรไปนั่งไปนั่งเป็นหัวโ do เฉยๆไม่ได้ไปคิดอ่านอะไรเราก็ไม่เกี่ยวไป ช, ช้านั่นเสียเวลาเราไปทำงานดีกว่าไปได้หมด บอกแล้วว่าในขณะที่คุณนั่งเฉยๆเนี่ยเราเป็นผัสสะหนึ่งแล้วคุณจะทนได้ไหมนั่งเฉยๆเหมือนเราไม่มีค่านั่นแหละเป็นผัสสะหนึ่งแล้วเข้าใจไหมนั่งเฉยๆเหมือนเราไม่มีค่านั่นแหละเป็นผัสสะหนึ่งแล้วแต่ได้อะไรได้ความพร้อมเพรียงได้อภิริหานีา้ทำโดยพระเจ้าสันตัดเระว่ายืนยันว่าเราประชุมกันเนืองนิดมันประชุมพร้อมพลั่งกันประชุมพร้อมพลั่งกันเลิก ความพร้อมคํานี้ไม่ได้หมายความว่ากระพร่อมกระแพงหมายความว่าพร้อมพร้อมครบทั้งมวลทั้งหมูและก็แน่นอนการประชุมที่ใดๆดมวลหมูที่ประชุมด้วยนั้นย่อมจะไม่เป็นตัวเอกไปทั้งนั้นลงในหมูนั้นน่ะนั่งเฉยเฉยเป็นหัวหลักหัวต่ออยู่อย่างนั้นเสมอเสม อ, สมอก็เยอะไปอ่าเป็นแต่เพียงว่ากระชวยคิดช่วยอ่านบ้างเล็กๆล็น้อยอย่างนี้ก็จะมาให้เสียงยกมือย ก, ม, อยกมาให้โหวตเสียงเขาบ้างให้คะแนนผสมประสิทธ ส, สานเข้าไปบ้าง ไม่ได้เป็นดิสเป็นเดรร์ใหญ่โตก็ตามมันก็เป็นความพร้อมในความสําคัญของคําว่าความพร้อมความพร้อมเพลียรอย่างนี้เป็นต้นนะและเรามานั่งอยู่อย่างชิวานั่นแหละมันจะอ้างหาเหตุหาเลออี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเราไม่ก็ไม่ฉลาดฉะเลี้ยวได้ออกเสียงหัคิดอะไรแล้วก็คิดไม่ค่อยเป็นเรามานั่งอยู่ก็นั่งเปล่าๆเราไปทํำนนทําำนี่ไปกวาดไปปัดไปเช็ดไปทู ด, ดีกว่าอะไรอ้างไปหมดแหละ ซึ่งก็มีเวลาเนีไม่ได้มานั่งประชุมอะไรก็ตลอดเวลารองเวลาที่จะไปปัดไปกว่าไปเช็ดไปถูไปอะไรมันก็มีเวลานะจะไปทำโน่นทำนี่อะไรก็มีแต่มันก็อ้างอย่าว่าแต่มามีงานนี้เลยอ้างหางานที่สําคัญสําคัญหางานโน่นงานนี่มาอ้างเพื่อตีตัวเองจะไม่ได้มีผัดสะจะไม่ได้เข้าหมู่เข้าตุ่มบอกอีกว่าคนนี่แหละมันเป็นตัวที่จะก่อผัดสะได้อย่างมาก ก่ปัสสัได้อย่างลึกซึ้งจนเราเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมคือผู้ผู้คนมิตรดีสหายดีที่บอกว่าแวดล้อมอยู่เนี่ยได้สัมผัสได้ไประชิดได้มีลีลาเนี่ยมันเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์จริงๆนะถ้าไม่มีผู้คนเป็นส ป, ปายะไม่มีบุคคลส ป, ปายะเป็นอาหารอันสําคัญบุคคลส ป, ปายะนี่เป็นอาหารอันสําคัญแล้ว คุณจะไม่เก่งเลยผัดสาหารก็ไม่เก่งมโนสัญเจตนาหารก็จะไม่เก่งเพราะไม่มีบุคคลสปายะแต่ถ้ามีบุคคลสปายะมีบุคคลนี่แหละพาให้เจริญนะมันจะมีหลายชัน้นหลายเชิงถ้ายังห ย, ยาบๆยาบเราก็พอรู้แล้วระวังเป็นเพราะฉะนั้นออกไปอยู่กับคคหมู่ยาบบางทีก็ได้ไปเป็นใหญ่ในคลองนะไปใหญ่ในหมู่คนหมู่ยาพวกนั้นก็โอ้ใหญ่ เบ่งเพราะเราว่าเราเหนือเขาก็ได้แต่มาอยู่ในคนหมู่หยาบอย่างนั้นแล้วล่ะมาอยู่ในหมู่คนที่ละเอียดลึกซึ้งภูมิสูงขึ้นมามันก็มีผัสสะที่ลึกซึ้งสูงที่เราจะต้องศึกษาและต้องปรับให้เข้ากันได้ให้ทนได้หรือให้พากันเจริญได้ทั้งคู่พากันเจริญทั้งตนและท่านได้จะทำอย่างไรก็ต้องทำความจริงนี่แหละสัมผัสจริงแล้วก็เรียนรู้ไปเพราะ บ, บุคคลสปายากก็ไม่ได้ไหมายความว่าบุคคลชั้นต่า บุคคลชั้นต่ำเราสัมผัดเมื่อไร่เราก็ชนะแล้วเราก็อยู่ได้แล้วสบายแล้วบุคคลชั้นสูงนี่แหละมันอยู่ยากมันยังมีมานะมันยัมีเชิงซ้อนมีในยะละเอียดลึกซึ่งเป็นผูดด้ดีหลายชั้นหลายเชิงนะมีกายกรรมก็อย่า ง, งานั้นวจีกรรมก็อย่า ง, งานั้นมโนกรรมก็อย่า ง, งานั้นมีชั้นเชิงดีลาลึกซึ่งซับซ้อนโอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆวนสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่มีเจตนารมมีความรู้จะพากันสูงขึ้นไปได้ เป็นบุคคลสปายะและเป็นอาหารที่สําคัญเป็นผัสสาหานและจะก่อให้เราเกิดมโนสัจเจตนาอาหารเมื่อมโนสัจเจตนาอาหารผัดสาหานเก่งๆๆๆๆวิญญาของเราก็เป็นวิญญาณที่เจริญเมื่อเป็นวิญญาณเจริญเราก็ได้อาศัยวิญญาณนั่นแหละเป็นวิญญาณอาหารวิญญาณเจริญนั่นเป็นอาหารเพื่อเครื่องพักอาศัยยิ่งวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณที่เฉลียวฉลาดเป็นวิญญาณที่มีเจตโววิมุตต์มีปัญญาวิมุตติดี เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างสําคัญตนเองก็ได้บริสุทธิ์ผ่องใสในวิญญาณเข้าไปยิ่งยงยิ่งขึ้นตามบทภาคเพียนตามบทที่ได้ฝึกขัดอบรมนะนัอธรมาก็พยายามชี้แนะพยายามที่จะบอกอ้างความป่วยความเจ็บของตัวเองมั่งเจ็บนิดเจ็บหน่อยบางทีมันก็ขึ้นได้ซล า, าแต่ไม่ก็เวลาเราก็รู้เวลาขึ้นซาลามันเท่าไหร่แต่ออเสาะตัวเองอัตตามันก็โตอยู่เรื่อย เราปอนไม่ไรเราไม่สบายเจ็บหน่อยอไม่สบายเจ็บแขนเมือกเอาแขนมานั่งหรือไงก็ไม่รู้เจ็บ ก, ก้นก็ยังพอว่าเป็นฝีที่ ก, ก้นก็ยังพอว่านี่ก็ไม่ได้เป็นฝีที่ก้นหรอกเจ็บแขนเจ็บหัวเจ็บไม่รู้ได้เจ็บทุกไหนก็นแล้วแต่อาตมาว่าเจ็บที่หัวใจมากมากกว่ามันเจ็บที่หัวใจมันไม่อยากมามันไม่อยากมามันก็เลยไม่มาย นี่ก็พูดพยายามพูดพยายามชีช้จี้ลงไปจุดไหนบ้างอาตมาก็เหมือนกับหมอฝังเข็มนี่จะจี้ลงไปนะไปแทงเอาทุกๆจุดให้ได้จุดไหนจะจี้ให้มันสะดุ้งให้ทุกจุดฮะมันยังไม่ถูกตรงไหนมันยังหลบหล่อนซ่อนแฝงไว้ตรงไหนก็พยายามที่จะใช้ชอนออหมอฝังเข็มชั้นหนึ่งะอาตมาหมอฝังเข็มชั้นหนึ่งชอนชัจี้จี้จนโกรธเอาเราบางคนบางคนโกรธ อา้าใครโกรธอาตมาบาปเนอะใครโกรธเมื่อใดบาปใครไม่เชื่ออย่าเชื่อโกรธก็แล้วกันใครไม่เชื่อก็โกรธก็แล้วกันใครเชื่ออาตมาแล้วก็อย่าโกรธโกรธอาตมานะบาปนะทําเป็นโกรธอาตมาชังอาตม า, าบาปนะอะอาตมาไม่น่าชังหรอกที่จริงอ่ะแต่ก็แต่ก็ดุเก่งว่าเก่งนะดุเก่งว่าเก่งเท่านั้นแหละอ่ไม่น่าชังหรอกนะแล้วก็ดูเอาบุญนะ ว่านี้ว่าเอาบุญนะไม่ได้ว่าเอาเรวเอาร้ายอะไรหรอกนะว่าเอาบุญนะ่ที่ว่าเนี่ยฟังให้ดีๆนะพวกเราเนี่จะเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่ได้ทนได้ก็อยู่ได้ทนได้อย่างที่ไม่เจริญขึ้นมีอยู่เจริญขึ้นก็มีนอนเพราะฉะนั้นบางคนไม่เจริญขึ้นแล้วไม่อยู่ก็ไม่อยู่ละหลบออกไปข้างนอกดีกว่าจะไปจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ในทีน่นี้คุณธรรมของเราพอเพราะฉะนั้นก็ไม่อยู่ก็ได้พอมาอยู่ก็จึงมีมาก นะพอออกจากครรษาไปแล้วก็ป้ายเนี่ยน้อยลงนะที่จริงที่นี่ของเราเนี่ยอาตมาบอกให้ก็ได้ว่าเรามีความเป็นอยู่อย่างนี้ของเราไปเรื่อยๆนี่อีกยี่สิบสามี่ปีเนี่ยเศ ร, รษฐกิจข้างนอกเขาจะบ้านะเขาจะบ้าบาบา่อปั่นกันหัวปั่นกันยังไงหนักหนาสากระยังไงนะเราก็อยู่ได้สบายสบายเชื่อไหมเชื่อไหมจุลียูนี่อยู่ยัยงก็าอ ย, อยู่ทุกวันนี้เง้งเง้งง้ก็อยู่อย่างเงี้ย เนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยเศรษฐกิจของข้างนอกก็จะเป็นยังไงก็ตามใจแต่ของเราก็เศรษฐกิจของเราอย่างของเรานี่แหละอย่างเงี้ยทำกินทําอยู่ของเราไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปโรมโมโทสอะไรต้องรา ย, รรายได้อะไรจากใครมามากมายได้บางไม่ได้บางอย่างของเราทําไปตามปฏิาตามความขยันหมั่นเพียรของเราแล้วเราก็ไม่ได้ลดความขยันอะไรแค่อย่างเงี้ยทำไปอย่างเงี้ยอยู่ได้สบายมาก อ, อยู่ได้โดยวงชีวิตของโลกีวงชีวิตของสังสารวัตร วงชีวิตของการหมุนเวียนที่จะอาศัยอยู่มีข้าวมีน้ำมีปัจจัยสีมีการเป็นอยู่ของเรานี่นะอยู่ได้อย่างนี้แต่ซ้อนลึกลงไปว่าแต่ละตัวบุคคลสังคมของเรามันจะมีรูปแบบมีพฤติกรรมจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมจเจริญขึ้นไหมนี่เองอาตมาก็มาเขี่ยวเข็นตรงนี้ถ้ามันอยู่แช่แช่แค่นี้แค่นี้มันจเจริญสูงสุดแล้วหรือมนุษย์ควรจะเจริญแค่นี้เหรอจเจริญทางธรรมนี่ด้วย เรายังมีระบบเรายังมีอะไรอะไรที่จะเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เจริญกว่านี้ที่ดีกว่านี้นะในยังมีรูปแบบมีวัฒนธรรมก็ยังไม่จัดจ้านวัฒนธรรมก็ยังไม่ชัดเจนวัฒนวัฒนธรรมยังไม่ฝังรากเนี่ยมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมของเรายังไม่ฝังรากนะจนได้มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ฝังรากเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยทุกคนอีกฝังอยู่ในวิญญาณเลยอยู่ในความรู้สึกเลยเป็นอัตโนมัติว <ellt on. S 2> ่าโอ้พอเราจะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นนี้แข็งแรง นี่มันยังไม่แข็งแรงและก็ยังไม่เจริญเต็มที่ด้วยเพราะเรายังไม่มีรูปแบบจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เต็มที่นะทุกวันนี้เรายังพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอัตมาก็ไม่กําหนดตายตัวกําหนดไม่ได้มันจะพัฒนาตามเหตุแวดล้อมตามสิ่งที่พอมีพอเป็นเป็นเหตุปัจจัยพัฒนาไปเองเนี่ยมันเกิดมาเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดสภาพอย่างเงี้ยสภาพนี้เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยตื่นอย่างนี้ชาวคนนั้นคนนี้ทําอนุนันนี้ช่วยเหลืออ น, นอนนุนี้มีสัญญาณกันรู้กันอนุนบางอันนี้บางมียงงอย่างน้ น, น, อนอย่างางี้กันไปกยย่ัาาางงษเี อมันจะมีระบบของมันเป็นไปเร Viol ื Harmon ่อยๆนี่มันก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะขณะนี้ไม่ใช่ว่าไม่เจริญเจริญขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันเจริญควรจะเจริญยิ่งกว่านี้ตรงที่ว่าเราขาดอะไรที่อาตมาชี้แล้วเพราะว่าเราขาดการติดแป้นไม่ใช่ขาดการติดแป้นมันไปแช่ตรงติดแป้นขาดการเจริญเลิกติดแป้นไม่ใช่ขาดติดแป้นเลิกติดแป้นเลิกที่จะหยุดอยู่ที่มันเป็นๆเนี่ย มันไม่ใช่โรคธรรมดาโรคร้ายของศาสนานะ่ะโรคร้ายนะ่ะอตมาเห็นที่ไหนๆสำนักไหนๆก็ตามติดแป้นนี่เป็นเรื่องไปไม่รอดจริงๆเห็นเขาติดแป้นสายท่านอาจารย์มั่นก็เห็นติดแป้นได้อยู่แค่นั้นสายท่านพุทธทาสก็เห็นติดแป้นได้อยู่แค่นั้น เป็นมาหลายสิบปีแล้วอาตมาเห็นความติดแป้นแต่อาตมายังไม่เก่งที่จะมีนรุติปฏิพานอธิบายออกมาได้ทั้งหมดอธิบายพวกคุณในพวกคุณรู้ตัวแล้ว พ, พัฒนาขึ้นไปแล้วเราจะเห็นรูปของเรานี่ต่างจากทั้งโน้นต้องพัฒนาอยู่เด้วยเป็นคนตื่นนะเป็นคนตื่นเป็นคนไม่ง่วงเงาฮ า, านอนเป็นคนกระปี้กระเป๋าสดชื่นเมื่อกี้นี่คุยกับหมออาตมาก็เคยบอกแล้วพวกเราอันหนึ่งนะในเรื่องของสรีระเท่านั้นให้ทุกคนหายใจยาวๆ หัดหายใจยาวๆเสมอรู้ตัวทุกพร้อมอะไรหายใจยาวๆสุขภาพร่างกายจะดีแล้วจะไม่ง่วงซึมโปที่หายใจรีรีนี่รีเข้ารีเข้ารีเข้าลมอ่อนลมอ่อนอ่อนออนเข้าเดี๋ยวก็เข้าชานไม่รู้ชานตะลัปัดหรือชานสมาบัติก็ไม่รู้เข้าชานแล้วมันสรีราไม่แข็งแรงนะเพราะว่าเราเอาออกซิเจนเข้าไปสูบฉีดน้อย ไอเซลประสาทต่างๆมันก็จะได้เกิดการทํางานกระเบาลงเบาลงเบาลงแล้วมันก็ไม่เกิดยีลัสลิสอะไรยีลัสลิสตี้ <c oughs> อัตมาพูดไอ <c oughs> ตัวนี้มันไม่คล่องปากสาักทีไม่เกิดการยืดหยุ่นไม่เกิดการออกกําลังพูดกันงงงออกกําลังของกล้ามเนื้อออกกาลังของเซลล์ออกกําลังของอะไรซึ่งมันจะต้องเกิดสภาวะพวกนั้นโดยเฉพาะเอาออกซิเจนเข้าไปน้อย เพราะสูบหายใจนอนเพราะให้หายใจเรายาวๆหายใจลึกๆเสมอเมื่อใดก็ตามนิ่งๆเราอยู่ที่นี่นะโอ้โหนี่ยิ่งกลางวันเนี่ยมันขายออกซิเจนมานะเนี่ยต้นไม้เนี่กลางวันเนี่ยขายออกซิเจนเข้ามาจมเลยนะมันฟอกเอาให้แก่เราใช่ไหมกลางคืนมันขายคาร์บอนใช่ไหมกลางวันมันขายออกซิเจนเนี่ยตัวคุณสูบก็ไปเลยเต็มแนว มีต้นไม้มากๆนี่มันฟอกออกซิเจนให้แก่เราได้ตั้งโอโหเต็มที่เลยนะแล้วสูท้าใจยาวๆลึกๆเสมอแก้ได้ทั้งสภาพที่มันตกโทวังแก้ได้ทั้งสภาพขี้เกียจมันจะไม่สดชื่นแก้ได้สภาพที่ไม่สดชื่นมันจะสดชื่นกระปี้กระเปร่กกปาแล้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ดีเบิกบานร่าเริงนะเพราะอันนี้จําไว้ท้าใจยาวๆเป็นกรรมฐาน หายใจยาวๆนี่เป็นของโยคะเขาด้วยโยคะนี่เขาให้หายใจยาวๆนะนอกจากเขาจะฝึกโยคะประเภทที่เราว่าเขาจะรีเข้าไปจนกระทั่งหายใจเบาจนกระทั่งเขาไปในกล่องเห็นไหมแต่ก่อ น, น, นยินนายโกีเข้าไปในกล่องหายใจเบาจนกระทั่งไม่ออกมาข้างนอกเลยสังเคราะห์ อ, อยู่ข้างในแค่นั้นก็พอเรก็ฝึกเอาเราก็ไม่เอาแบบนั้นมาใช้แล้วเพราะเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราใช้นี่แหละนัเราจะได้ประโยชน์นอันนี้ก็บอกเอาไว้นในพวกเรา มันไม่ค่อยกระปรีก้กระเพ่ามันไม่ค่อยกระเตือ้อมันแช่มันซึมแล้วเป็นไปอย่างเงี้ยหนักหนักเข้ามาใจรู้สึกอารมณ์เสง็งเสงอารมณ์เบื่อหน่ายเกลียดชังชังน่นชังนี้ห น, น, นักเข้าชังทั้งคนชังทั้งงานการชังทั้งอะไรเอ่าไม่แล้วมันก็จะกลายกลับกลายไปเป็นฤษีอีกอย่า ง, างเดิมเนี่แหละนี่มันไจะจ ะ, จะไม่จเจริญตรงนี้อ่าผมก็ขอย้ำพวกเราว่าพยายามศึกษาพยายามตรวจตนเอง อาตมาบอกอีกว่าเราเองน่ะดีเพราะมันมองเมื่อไรมองตนเองก็ว่าดีก็เห็นดีของตนเองอยู่เสมอแต่ขอบอกว่าดีนั้นยังดีไม่พอหรือแม้ดีพอดีแค่นั้นนะ่ะคุณจะไปพอใจอยู่ทําไมพระพเจ้ายังไม่สันโดษในกุศลพระพุเจ้ายังไม่สนโดดในดีพระเจ้าขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังไม่สันโดดในดีดนดดนดดนดแล้วคุณเป็นใครอทําเป็นมักน้อยเอไม่จะคําสอนพระเจ้าแล้วไม่ใช่ตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้า ตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะถ้าไม่เคยสันโดดในความดีไม่เคยสันโดดคือไม่พอในความดีนี้เราทําได้เจรินไปได้ยิ่งขึ้นแต่ในทางไหนก็แล้วแต่ทั้งทางยิ่งไม่สันโดดในทางปฏิบัติธรรมบอกแล้วว่าเมื่อกี้อธิบายแล้วว่าเรื่องผัดสะผัดสาหานนี่เป็นปัจจัยสําคัญมากนะผัดสะเป็นปัจจัยสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมที่จะต้องพิจารณาหรือสังวรอินทรีย์หการสังวรอินทรีย์หกนี้ สำคัญมากปัจจัยสาคัญจริงๆรินะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็มีพัรษะจากหมู่เป็นบุคคลเป็นบุคคลสปายะเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นะเราช้าเราไม่เจริญเพราะนั้นูดได้ปฏิบัติผิดอยู่ปฏิบัติยังไม่เข้าะ่ะเข้าเกณฑ์อย่างที่อาตมาว่าอย่างที่อาตมาอธิบายไปนี้ยังปฏิบัติมันไม่เข้าร่องเคารอยไม่เข้ารูปเคาะแบบอย่างที่อาตมาว่า จงพยายามรู้ตัวในพยายามกระทําตนให้มันเข้าร่องเข้ารอยที่ว่านี่มีภาษาเป็นปัจจัยอยู่กับหมู่กับปฟงมีอะไรก็รวมกันประชุมมีอะไรก็รวมทํางานทําการรังสรรกันไปงานการอะไรช่วยไหนช่วยเวลาที่เราจะต้องทําคนเดียวบ้างก็ทําบ้างแต่มันก็จะต้องทํากับหมู่นั่นแหละเป็นดีทํากับหมู่ได้ดีทํากับหมู่ได้มากๆมันยิ่งดีนะยิ่งอบอุ่นยิ่งสร้างสรรค์เบาแรงต่างคนต่างช่วยกันแบ่งเบามีเอโนเนนี่ก็ให้คนนั้นคนนี้เขารู้กันไปด้วย ปันกันแบ่งกันไปด้วยอะไรอะไรด้วยมันยิ่งดีใหญ่มันจะได้เจริญไปพร้อมๆกั น, นและเราก็จะได้เพิ่มฐานของทางธรรมะด้วยบอกว่าฐานทางธรรมะที่เรามันไม่เจริญขึ้นอีกเนี่ยมันก็จะไปไม่รอดทุกวันนี้นี่เราจ ะ, จะเจริญพอใช้ะจะเจริญพอใช้หลายๆอย่างมันเป็นผลสะท้อนตอบออกมา กลับไปคราวนี้อจตมาไปได้บทความหมอประเวศภาสีที่เขาเขียนลงในหมอชาวบ้านของเราเนี่ยบทสุดท้ายบทที่สิบเขาส่งไอ้ต้นฉบับที่เขายังไม่ได้พิมพ์นะเขาจะออกเดือพฤศจิกายนแต่ว่าเขาส่งให้อัตมาอ่า น, านก่อนแล้วอัตมาก็ได้อ่านแล้วโอ้ดอีหมอประเวศก็ศึกษาเราเพิ่มขึ้นพอได้ศึกษาเราถึงได้เห็นว่าเออคนมีปัญญาที่ไม่ลําเอียงเท่าไหร่เนี่ยเขามองอะไรออกหมอประเวศมองออกมองพวกเราออก วิเคราะห์วิจัยเราตั้งข้อตั้งความหวังไว้กับพวกเราแล้พวกเราเนี่ยมีคนว่านะไม่ใช่ไม่ว่ามีคนเขียนจดหมายไปว่าหมอประเวศเหมือนกันว่าวิเคราะห์สวนโมกก็ดูดีแล้วล่ะวิเคราะห์ธรรมกายก็เหมาะสมแต่วิเคราะห์สันติอโศ น, นี่สงสัยข้อมูลผิดผิดพลาดพาดมั่งหมอนะบอกว่าผู้เขียนจดหมายไปนี้บอกว่าเขาเนี่ยเขารู้จักกัมพืชพระโพธิรักดีเขาว่างั้นนะ หมอประเวศแกก็เขียนลงมาในบทความเหมือนกันแต่แกก็ไม่สื่อสาแกก็บอกว่ามันมีปัญหาใดๆแล้วแกก็บอกเลยว่าการมองต้องมองค่ารวมต้องมองสิ่งแวดล้อมต้องมองอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยุ่มๆยิ้มๆก้องพระโพธิรักษนะ์นี่ยอย่าไปเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรหนักหนาสา ก, กันเลยมันควรจะดูพฤติกรรมใหญ่ควรจะดูผลงานควรจะดูอะไรแต่อะไรเป็นหลักๆที่เป็นค่ารวม ที่เป็นผลผลิตเป็นอะไรออกมาแล้วนมันเป็นยังไงน่าศึกษามากหมอแกพูดเชิงนี้อาตมาเอามาอ่านสู่ฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจัยสู่ฟังแล้วที่สติอโศกเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังที่นี่นะเอามาเปิดฟังกันอ่าตมาวิเคราะห์วิจัยให้ฟังตามที่อ็คงจะได้ฟันว่าเ อ, อเ า, เ า, เามาเปิดฟังดีไม่ใช่ว่าเคราชมเราแล้วเราก็เลยหลคงจววนะ ไ, ได้ฟั ง, งที่นี่นะเอามาเปดฟังกันอาตมาวิเคราะห์วิจัยให้ฟังตามเดียก็คงจะได้ฟังที่นี่นะเอามาเปิดฟังก็ ร, รู้รู้ว่าเคราก็มีความเข้าใจเพียงพอนะได และอะไรต่ออะไรขณะนี้หลายหลายแห่งหลายหลายถิ่นหลายหลาที่แสดงแสดงผลแสดงการตอบรับมีผลสะท้อนตอบรับออกมาสื่อออกมาว่าเออก็ดีดีขึ้นพวกที่เขาหมั่นไส่พวกที่เขาไม่ชอบใจอยู่ก็ประชดประชันแรงขึ้นนี่มันมีทั้งสองด้านนะด้านบุตีเห็นได้เห็นดีก็เออชักจะเข้าถ่าสนใจ พยายามเห็นด้วยเห็นดีอะไรขึ้นมาส่วนพวกที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งไม่เห็นหนักขึ้นดันกลับกลับไปประชดประชันมีบทบาทาเสียดสีประชดประชันอะไรกระแดกดันอะไรเข้ามาอีกเพิ่มเติมมันก็มีอยู่เหมือนกันมีอยู่จริงๆนะไอ้เรื่องนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดอาตมาว่าอาตมาดูสังเกตอะไรอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูความจริงจากตัวพวกเรานี่แหละเป็นหลัก พอเราจะดีไม่ดีอาตมาก็ว่าอาตมามีค่าของมนุษย์อยู่าอาตมามีอัตราเราเรียกว่ามีมาตรวัดมีมาต ร, ราการวัดมีมาตรวัดอยู่ว่ามนุษย์นี่มันจะมีความเจริญอย่างไรอาตมาว่าอาตมามีมาตรวัดแม้แต่จะตั้งออกมาเป็นหลักแล้วเนี่ยอิสาระเสรีภาพพระราดอลภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพตั้งออกมาอย่างนี้บอกว่านี่เป็นมาตรวัดมนุษย์นะมนุษย์อิสาระเสรีภาพเป็นอย่างไรเป็นเครื่องวัด อาตมาก็ว่าอาตมากวัดพวกเราอยู่พระราดลาภาพเป็นอย่างไรอาตมาก็วัดเนี่ยเป็นมาตวัดมีความเป็นอิสระเสรีภาพขนาดไหนเกิดอิสระเสรีภาพก็คือทารุสระเสรีภาพหรืออิสระเสรีภาพก็คือการหมดกิเลสตหาอุปทานรอยรับทั้งหมดปลดปล ด, ปลดแอกได้สมบูรณ์นั่นแหละเป็นสูงสุดนะแล้วมันก็จะมีพฤติกรรมข้างนอกออกมาให้เห็นด้วยว่ามันสัมพันธ์อิสระเสรีภาพนี่มันสัมพันธ์แล้วมันแนวโน้มมันจะ มันจะมันจะตีกลับเข้ามาว่ายิ่งอิสระเท่าไรยิ่งเป็นผู้ที่รับใช้ปวงชนได้มากเท่านั้นนะฟังคําพูดตรงนี้ดีๆผู้ที่มีอิสระเสรีภาพคือความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงเนี่ยความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงน้อยลงเท่าไรผู้นั้นยิ่งเป็นผู้รับใช้ประชาชนมากเท่านั้นหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากเท่านั้นฟังภาษาแค่ภาษาดูซิว่าอัตมากำลังพูดผิดหรือพูดถูกผู้ที่มีอิสระเสรีภาพได้มากเท่าใดคือผู้ที่ ต่อความจริงว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนได้จริงจังมากเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะความห็นแก่ตัวของเขาลดลงลดลงลดลงจนยิ่งเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวยิ่งเป็นผู้ที่ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นไปทั้งสิ้นทั้งมวลในการขยันมันเพียนอาตมาเทศมาแล้วจากที่สัติ์สุขเทศบอกว่าพระอรหันต์เจ้าของพุทธเรานี่ไม่เหมือนกับที่ขเ น, นดเดากันเพราะพระอรหันต์เจ้าจะเป็นคนขยัน เท่มาแล้วก็ทบทวนให้ฟังอีกโดยเหตุผลง่ายๆว่าพระอรหันต์เจ้าย่อมเป็นผู้ขยันใช่ไหมเพราะธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เป็นไปเพื่อความขี้เกียจสองจะต้องเป็นคนมีเมตตาเกื้อกูลเพราะว่าละลดความเห็นแก่ตัวเมื่อละลดความเห็นแก่ตัวออกจริงๆก็จะต้องเห็นมีเมตตาสามก็ตัวความเห็นแก่ตัวนี่แหละท่านไม่มีเมื่อท่านเป็นผู้ขยันท่านเป็นผู้มีเมตตาท่านเป็นผู้ไม่เห็นไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วท่านจะไปเห็นแก่ใคร ประเด็นหลักที่สําคัญใหญ่ก็คือว่าพระอรหันต์เจ้านี่รู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เดินทางไปหาตายและจากชีวิตที่ยังไม่ตายเนี่ยท่านไม่เห็นแก่ตัวด้วยและท่านก็รู้ว่าท่านถ้าท่านเป็นอรหันต์ไม่ไม่ปรารถนาพุทธภูมิไม่ตั้งโพธิ์โพธิสัตวต่อท่านก็รู้ว่าท่านตายแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมพระอรหันต์เนี่ย พอมดหมดรูปนามขานหน้าในตายแล้วท่านก็จะศูนย์ไปเลยแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ของท่านเนี่ยอันนี้ยไม่ใช่ของท่านเนี่ยเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเนี่ยเพราะอรหันต์ท่านก็จริงๆไม่ใช่ของท่านเมื่อไม่ใช่ของท่านท่านก็ใช้มันถ้าก็ใช้มันใช้มันอย่างที่ท่านมีญาณปัญญาอยู่ในตัวที่ท่านจะประมาณเป็นสัตตบรุษที่จะใช้ประมาณว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรกุศลอกุศลท่านก็จะรู้ด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ ท่านก็จะขยันมันเพียรใช้มันให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนเรามีเครื่องมือนี่เราจะใช้มันเครื่องมือเหมือนมันเครื่องมือมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดใช่ไหมเราจะใช้มันเครื่องมือไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้เมื่อยไม่รู้เพรียวแล้วก็จะใช้มันแต่คนมันรู้เมื่อยรู้เพรียวพระบุตรจ่าถึงได้ตัดว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข่าบุคคลสงสารได้แล้วคือผูดถึงนิพพานเห็นไหมประโยชน์นี้จะมาทราบซริงมากมากเลยมันจริงนะพระอรหันต์เจ้านี่จะประมาณเพียรประมาณพักของตนเองเท่า น, นั้นแหละ มันไม่เหมือนเครื่องกลธรรมดาตรงที่ว่าเครื่องกลธรรมดาใช้มันมันมีเมื่อยไม่มีเพียแต่มันก็มีเครื่องร้อนเครื่องอะไรเหมือนกันนะต้องพักให้มันเหมือนกันพอสมควรคนก็เหมือนกันแหละพราะอรหันต์เจ้าท่านจะรู้ว่าไอเนี่ยเราไม่พักเราไม่เพียรตามจริงเลยไม่ได้ทำเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ทำเพราะสมควรพักก็พักไม่เช่นนั้นแล้วก็เพียรมันตับพืชเพราะท่านรู้แล้วว่าถ้าไม่ใช้มันเดี๋ยวมันก็ตายสูนเพราะพระอรหันต์นี่ เป็นพระอาหารหันแล้วไม่ใช่มันมันก็จะสูญทิ้งเปล่าๆท่านโง่เหรอคุณคิดออกไหมโอ้คิดได้อย่างพระอาหารหันเลยเฮ้อคิดได้อยู่แต่ยังทำไม่ได้คิดว่าเข้าใจนะ<ำ>ใช่ไหม เพราะนัพอรหันต์เจ้าท่านจะไม่ขี้เกียจคุณฟังดูดีๆนี่เหตุผลแค่เหตุผลแค่นี้หนึ่งท่านจะต้องเป็นคนขยันจริงตามพระพุทธเจ้าสอนว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื Clear. hey điều, ่อความขยันนั่นเป็นของพระเจ้าทํำไดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจขี้เกียจนี่ก็พยายามสอนกันแล้วบอกโอ้โหมันไม่ใช่ตัวธรรมดานะมันซ้อนอยู่พฤติกรรมนานาหลากหลายเป็นความขี้เกียจอ้างอิงที่อาตมาเอามาอธิบายฟังแล้วเพราะฉะนั้นเราจะซอกแซกซอกแซกออกไปได้จริงๆพระอริยเจ้าจะซอกแซกซอกแซกแล้วปรับปรับปรับปรับเมื่อปรับแล้วก็เป็นคนขขยยัันนจริงๆ และเป็นผู้ที่มีอุบมุยมีบุญมีความ้นขวัขวายมีวิญญาณวัจจะไม่ด้วยพระอาหารต้องเป็นคนที่มีบุญกิริยาวัตถุใช่ไหมเป็นคนที่ขวนขวายอ่อนน้อมถ่อมตนและบอกแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใไห่เป็นผู้ที่ไปทําให้เสียธรรมะอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านเนี่ยมันมันลึกซึ้งหนูนะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่การโกหกและไม่ใช่การทางการเสแสร้งแต่เป็นมารยาทอันสมควรสมเหมาะอความอ่อนนอมความความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย เราเราต้องลึกซึ้งนะความอา่อนอน้อมส่วนตัวก็ลึกซึ้งนะจะเป็นคนที่ขยนันเป็นคนที่มีเมตตาเห็นใครทุกข์เห็นใครยากลำบากแม้แต่ศัตรูเออก็จะเ อ, อหาทางช่วยได้ไหมเขาศรัทธาเราไหมเราจะช่วยเขาได้แค่ใดเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นคนที่รู้ว่าตัวจะตายตายไปอีกงวดนี้แล้วตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์จริงๆไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรอีกแล้วไม่มีเวียนวนกลับมาทาอะไรกันอีกแล้ว สูญสลายไปเลยไม่มีอะไรเกาะกลุ่มกันอีกแล้วถ้าก็จะจบแล้วเพระพระอารหรันตัวนี้และท่านจะไม่ใช้แท่งนี้ได้อย่างไรเห็นไหมเหตุผลของมันจะชัดท่านจะต้องใช้แท่งนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ของพุทธนี่ขยันมันเทียนลูกเดียวคุณเองจะขยันนี่ถ้าคุณเองคุณไม่ฝึกปลือความขยันไว้ตั้งแต่บัดนี้นะคุณจะไปขยันเอาตอนเป็นพระอรหันต์นั้นมันไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าตั้งแต่มันยังไม่เป็นพระอรหันต์มันยังไม่ขยันเลยมันในขี้เกียจอยู่แล้วมันจะได้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรลรา ก็เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่ความขี้เกียจอันนั้นไม่ใช่ของเราสถาคตอยู่แล้วแล้วมันจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตรงไหนเพราะนั้นพระอรหันต์นี่มันจะรู้คาสอนรู้เจ้าตรงและท่าก็ฝึกปรือตามคําสอนพระเจ้า่สอนว่าควรทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้นะคนทำอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้คนเลิกอย่างนี้และทําอย่างนี้ให้ยิ่งคําสอนมีเท่านี้แหละในของอริยเจ้าเนี่ยสอนคนทําอย่างนี้ทําให้ยิ่งอย่าทําอย่างนี้ลัเลิกไปให้ได้อย่างนี้คําสอนก็ท่านมีอยู่แค่นี้ อ่านดูในพระตรปิฎกมีมากมายอจงทําอย่างนี้ทําให้ยิ่งแยแต่อย่าทําอย่างนี้ควรละควรเลิกอย่างนี้มีเท่านั้นแหละพระอรหารต์เจ้าก็จะฝึกปรือในทิศทางที่พระพุทธเจ้าท่านสันเสริญยกย่องว่าควรทําอย่างนี้ควรทําอย่างนี้อย่างนี้ควรเลิกท่านก็จะพยายามละเลิกจริงๆสุดท้ายถ้ามันก็ชำชองชํานาญแล้วมันก็ละลดกิเลสของตัวเองไปด้วยมันก็ยิ่งสอดคล้องกิเลสก่อนละความชํานาญความเป็นอัตโนมัติก็ยิ่งเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงขึ้น กว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ก็โอโหเป็นเครื่องกลที่ชานานเป็นเครื่องกลที่เป็นตัวจักเป็นตัวจักที่จะสร้างสรรค์อะไรให้แก่มนุษย์โลกพระผูะะ้ชนะหิตายะพระผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกอยู่จริงๆแท้แท้เลยทีนี้พระอาหารหันต์เจ้าเราเห็นในประวัติบอกว่าหกสิบองค์แรกที่พระเจ้าท่านส่งไปประกาศศาสนานี่นะเราไม่ได้รู้ว่า พระอรหันต์เจ้าได้ฝึกมากเพราะพระอรหันต์เจ้าหกสิบองค์แรกนั้นเป็นพระอาหารหันต์ที่มีบา ร, รมีเป็นอุคติตันยูสอนธรรมะไม่กี่อะไรเลยว่าฟังธรรมะกันสองกันทั้งกับรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่ช้าไม่นานเลยประแปบ p, ประแปบ p, ปรแบ p, ปบเพราะพระท่านมีบา ร, รมีถ้าเป็นพวกอุคติตัญยูพวกวิปจิตตันญูเป็นพวกที่ฟังหัวข้อธรรมก็ บ, บรรลุเป็นผู้ที่ฟังคําขยายหัวข้อธรรมโดยพิสดาเรเล็กน้อยเป็นวิปจิตตันยูทั้งก็บรรลุแล้ว มีบารมีสูงเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้มาฝึกความขยนันไม่ได้มาฝึกปลือหัดละหัดล่างอะไรอย่างพวกเรานี่พวกเนยเน่าเน่าเนยยะเน่าเ่ามันไม่เหมือนกันเห็นไหมท่านก็ไม่ได้ฝึกเพียนสิเมื่อไม่ได้ฝึกเพียนเราก็เลยไม่รู้ว่าอิริยาบทของพระอาหารหันต์เจ้าพวกนั้นท่านทําอย่างใดถ้าแล้วเราก็เลยไปนึกนึกแค่นั้นว่าโอ้พระอาหารหันเจ้าทำไเห็นฝึกอะไรเลยทำไม่เห็นต้องมาขยานันมาเห็นเพียนอะไรเลยอื ก็ใช่เพราะว่าท่านไม่มีเวลามาทํางานแต่ท่านมีบารมีและท่านก็เป็นคนที่ขยันได้เพียรได้โดยไม่ต้องพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามพอบรร ล, ลุพระอรหันต์แล้วไปไม่ให้ผู้ช่วยด้วยแต่คนเดียวนิคมนึงอย่าไปไปเป็นสงโขสององไปนิคมละองค์เดียวไม่ต้องไปซ้อนกับสององไปเผยแพร่ศาสนาผู้ที่มีดวงทุรีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ไปช่วยเขาเขาไม่ได้พบธรรมะเป็นการเสียประโยชน์มากมายให้ไปทํางานพระอรหันต์เหล่านั้นก็ไปโดย มีความพยันที่ท่านได้ฝึกมาแต่ชาติแต่ปางก่อนทุกองค์ทําได้เท่าที่ท่านทําได้ทุกองค์ตามบุญบา ร, รมีของท่านไม่มีความขี้เกียจรอกแล้วก็ไปสร้างสรรค์ทํางานเลยเพราะเป็นอัตโนมัติของท่านท่านทำมาแล้วทั้งนั้นถ้ายังมีเชื้อขี้เกียจอยู่จะ ไ, ได้เป็นได้ยังไงเราอบายยมุจะไปเป็นพระอาหารหันต์ได้ยังไงไม่ไม่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่อย่างที่เดาๆแบบฤาษีฤาษีก็ต้องส่งออกป่า ใช่ไหมระบบลูกศรก็ต้งสออกบอกอ้าวเธอรบรรลุทำแล้วไปหาป่าหาธรรมอยู่กันคนเราทำสองธําไปตามสบายท่านก็ว่างั้นสินี่เปล่าท่านก็ไม่ได้มีอย่างงั้นเลยไม่ได้บอกว่าอ้าวพวกสายเจโตวิมุตจงไปหาธรรมสายปัญญาวิมุตตจงเข้าเมืองท่านก็ไม่ได้แยกพระอรหรันห์หกสิบรูปแม้ใช่ไหมไม่ได้แยกบอกอ้าว อ, อรหันเจโตวิมุตเนะ่ยนี่เหมาะสมก็อยู่ป่าจงไปหาวัดป่าอยู่อ้าวพระปัญญาวิมุติ อรหันตัญญามุตต์จงไปหาเมืองไปหาสร้างเมืองสร้างวางสร้างเวียงอยู่นวดก็ไม่ได้บอก <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้คัดเลือกอย่างนั้นไม่ได้สั่งอย่างนั้นเลยเพราะทุกอย่างจะลงตัวเจโต ว, วิมุตต์กับปัญญามิมุตต์จะได้สัดส่วนเป็นพราฐานแล้วจะได้สัดส่วนจะไม่เอียงอจิตจะก็จะเต็มแต่ว่าเมื่อผสมส่วนแล้วเจโต ว, วิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์มันก็จะตามจริตนะจะตามจริตหรือตามรากเงาของผู้มีมีจริตบางคนก็มีทางจริตไปในทางอ ราคะจริตบางคนก็ไปในทางโทสะจริตบางคนก็ไปทางโมหจริตอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จริตอื่นออีกสัตยาจริตนะพุทธจริตแล้วก็อะไรนะวิตกจริตหกจริตด้วยกันนะมันมีราคะจริตโทสะจริตโมหจริตแล้วก็มีสัตยาจริตโทสะจริตแล้วก็วิตกจริตนะ มันก็มีหกจริตก็แล้วแต่รากฐานของคนมันก็เป็นไปบ้างศรัทธาจริตก็จะเป็นอย่างนั้นละนะศรัทธาจริตทางพุทธิจริตก็จะเป็นอย่างนั้นละนะเป็นอย่างที่ท่านเป็นนั่นแหละพุทธิจริตก็คือปัญญานั่นแหละนะศรัทธาก็ศรัทธาศรัทธาจริตแต่ปัญญาปัญธมเรียนปัญญาจริตทันเรกพุทธิจริตนะแล้วก็วิตกจริตพอวิตกจริตนี่ก็มันก็เป็นพวกที่คิดมากทำไมมีรากฐานพวกนี้สั่งสมมาในววิจิกิจฉา ระวังระวังเนพวกวิจิกิจฉาเยอะๆนะสังสมวิจิกิจฉาแล้วก็เดินนาน allora. กกนะพวกวิตกจริทนี่เดินนานพวกวิตก like. จริทนี่กลายเป็นพวกติต้องขยันมากนะต้องกลายเป็นพวกอะไรนะปัญญาธิกะสัาธิกะแล้วก็บริยาธิกะเนีพวกขยันมากต้องเป็นพวกขยันมากนะพวกขยันมากนี่มันอยู่สายพวกวิตกจริทนี่แหละ สายพวกต้องขยันมากมันขยันไม่มากมันไม่พอนี่มันวิตกกระจดิตนี่มันโอ๊ยไม่รู้จะเอายังไงแน่พระเดี๋ยวก็ไปเอาอย่างงบนปรเดี๋ยวก็ไปเอายังกลับไปกลับมากลับไปกลับมาซ้าแล้วซําเล่าทําบางทีจะไม่จะเต็มไม่เต็มก็เลิก็ทําแล้วก็เททิ้งทาแล้วก็เททิ้งไอ้คลายเงินอ่ะห่วยเหนื่อยพูดมาก็ยังเหนื่อยเลยเออ พวกดิงดิงศรัทธาจริตจะยังเออพอไวศรัทธาทิกะมันก็ยังพอได้บางแต่จริงๆแล้วมันต้องมีทั้งศรัทธาและปัญญาที่สมดุลนะปัญญาธิกะนี่ถึงจเจริญเร็วถึงได้จบเร็วบรรลุเร็วน ะ, อ, ะอ่ะละอาตมาก็ได้ย้ำอะไรอะไรก่อนจะจบก็ขอบอกให้พวกเราทราบว่าอย่าประมาทอย่าติดแป้นนะยงพยายามระลึก ถ, ถึงผัสสะหรือผัสสาหานี่ให้มาก ว่าเราควรจะมีผัสสะหารไม่เช่นนั้นเราจะจมอยู่ในอัตตาจะจมอยู่ในภพผู้ใดที่จมอยู่ในภพจมอยู่ในอัตตาชาชาการปฏิบัติในการวิวปัสสนาที่นั่งพิจารณานั่นอนะ่ะมันพิจารณาได้เท่าที่ควรนั่งเอาแต่นั่งพิจารณามากๆจะกลายเป็นฟุง้งซ่านเป็นพววิตกกระจริตเพราะฉะนั้นพวกวิตกกระจริตนี่ควรจะมหาหมู่เห็นไหมถ้านั่งขบคิดคนเดียวนั่งแต่บอกว่าเราวิปัสสนาประเภทนั่ง พิจารณาทำพิจารณาทำพิจารณาทำเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์สักประมาณหนึ่งมีบ้างมีด้วยแต่ถ้าเอาจะนั่งพิจารณานั่งแต่คิดคิ ด, ค ด, คดระวังจะฟุง้งซ่านแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นพวกอุทธจักรพวกอุทธจักรแล้วมันก็ยุ่งกนใหญ่หนักเข้ากับการเป็นวิตกกระติกจากที่ว่าเนี่ยตายไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่คิดบนคิดจุ่งฟุง้งซ่านไปอะไรก็อสับสนปนเปรวุ่นวาย ไม่รู้เอาอะไรถูก อ, อะไรผิดแตด่เดินดาเดาดล ด, ดมันก็มีตักกระศาส์เข้าไปปนมากเพราะฉะนั้นถ้าบอว่าผู้ได้ปฏิบัติจริงแล้วมันก็จะไม่เป็นตักกจริตว่าไม่จะเป็นวิตกจริตนะก็ขอให้พวกเราล้ำลึกเสมอนะการจะนั่งพิจารณาไม่มีปัญหาพอสมควรเพราะการจะจมอยู่กับตัวเองคนเดียวนะั้นติดพบติดพบหรือว่าจะกลายเป็นวิตกจริตก็อย่าอย่าไปกระทำหนักพยายามให้มีมิตร ด, ดีสหายดีสัมพันธ์กันให้ร่วมกันประชมุม พังพร้อมกันประชุมเลิกพังพร้อมกันเลิกอะไรต่างๆนานาพวกนี้ให้ดีแล้วเราก็จะได้พัฒนาอะไรต่ออะไรขึ้นไปเป็นหมู่เป็นแบบแล้วก็เป็นเกอบเป็นกรำมมีพลังคนเดียวคนเดียวมันแยกเกินไปนะแต่เราก็แยกได้อยู่เพราะเราได้แยกทำมันไม่มีปัญหาเราแยกกันทําได้อะอย่างนี้เราเคยเๆกันอยู่นะแต่ส่วนที่จะมารวมกันทําเนี่ยรวมกันอย่างเป็นสามัคคีรวมกันอย่างเข้ากันได้ให้สมบูรณ์นี่ไม่ง่ายแต่เราจะต้องฝึกเพียรกันไปเรื่อยๆมันจึงจะเกิด ความเป็นหมู่ที่สมานสามัคคีกันพรั่งพร้อมกันทำอะไรก็เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันเดียวกันได้อย่างเป็นเอโกทำโมเอาลราสหรับวันนี้พอแค่นี้